นะบูตัสักวะตอรหตสัมมาสัมุัขวะตูอหตูสมาสัมบุตัะูตสัสบสวะตูอรหตสัมมาสัมุัวะตูอรหตูสมาสบุตัะูตสัสบสวตูอรหตสัมมาสัมบุัขวตูอสาสะอรหตูสมาสบุตัอาสบสติ สมาธิสาตุกังมานาสิกาตโปโตตินั่งตามสบายก็ไม่ได้เจอกันพอาุมควรนะก็โควิดมันก็มีผลนะทำให้เราปวนหัวแต่ก็เหมือนกระแสข่าวบางกระแสที่มันพูดกัน ว่ามัวแตกัวแต่โควิดไม่ต้องทำอะไรกันมันก็ถูกนะแต่ว่ามันไม่ถูกเต็มร้อยนะเราก็จะต้องทำทุกอย่างนั่นแหละภายใต้การควบคุมโดยไม่ประมาทการไม่ทาอะไรเลยนะั่นคือการประมาทมันต้องทำที่ทำได้มันต้องทำคนะ้าขายมันก็ต้องทำอะไรมันก็ต้องทำแต่มันทำ ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราทำด้วยความไม่ประมาทมันก็สามารถที่จะควบคุมป้องกันได้เนี่ยหน้ากากแงะนั่งโสมหน้ากากกันเลเผื่อใครเป็นใครเป็นแต่มาไม่เป็นหวัด ต, ตั้งแต่มีโควิดนะไม่เป็นวัดเลยเพราะมันไม่ได้ช่องนะใส่แต่หน้ากากอย่างเงี้ยนะเออ ปกติอาทิตย์หนึ่งต้องต้องฉันยาแก้แพ้แล้วเดือนปีหนึ่งอย่างน้อยต้องไปนอนโรงพยาบาลคืน้องคืนตั้งแต่เป็นโควิดไม่มีเลยไม่ได้กินยาแก้แพ้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยปกติเนี่ยแ ต, แต่แต่เสียงเป็นแบบนี้นะไม่มีวันที่จะหยุดมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นจนในที่สุด ต้องไปฉีดยาโรงพยาบาลไปถึงเห็นหน้าอาจารย์ที่โรงพยาบาลอาจารย์เห็นถึงนิ่มันนึงพ่อเตรียมยาเลยสั่งฉีดได้เลยคือต้องฉีดมันถึงยังไงแต่ตั้งไปเป็นโควิดมาไม่เคยเลยอะไม่เป็นไม่ต้องไปฉีดเนี่ยไม่เห็นได้ว่าอานิสงส์ของการระมัดระวังตัวอานิสงส์ของพอไม่ประมาทเราระมัดระวังอย่างหนึ่งนะมันได้หลายอย่างอ อย่างนี้อะไรด่าคุณพีเอมสองจุดหน้ามันก็โดนป้องกันไปด้วยเราระวังแต่โควิดเนี่ยแต่อย่างมั้นมันได้ยื่นไปด้วยเออเพราะฉะนั้นมันต้องทาทุกอย่างได้แต่ภายใต้กรมไม่ประมาทมาตรการอะไรที่เราจะดูแลป้องกันระวังรักษากันได้เราก็ต้องรักษากันต้องระมังระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทโดยมีพื้นฐานความรักความเบตา ความมีน้ำใจต่อกันในการระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีความเมตตาเป็นปื้วฐานนะมันจะต้องมีความเมตตาความรักความกรลโมนาที่มีต่อผู้อื่นด้วยไอ้บางทีเนี่ย กลางเช้าขึ้นมารู้สึกตัวเองไอๆ อ, อยู่เอ๊ะวันนี้จะมาปฏิบัติธรรมที่อาคารธรรมที่มันไอๆ อ, อยู่แลลงตรวจดูซะหน่อยสิเผื่อมันติดท่วงติดเชื้อจะได้นำไม่นําเชื้อไปติดเขาเอ่อันนี้มันมาจากอะไรมันมาจากความเมตตานะอ่าความเมตตาความมารีความรักเอ๊ะเมื่อวานไปที่ น, นู่นปรากฏว่าที่นู่นก็มีเชื้อมีคนติดเชื้อเราก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง โอต้องรีบโทรมาบอกเลยต้องโทรมาบอกอาการทําเลยบอกว่าดีเนี่ยฉันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะไม่รู้ว่ายังไงรู้เปล่านี่แต่ตรวจเอทเคแล้วมันไม่ติดแต่มันยังไว้ใจไม่ได้เพราะมาจากกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันเกิดมาจากความเบตตาทางนั้นเออมันจะทำให้ความป้องกันความระวังเนื้อระวังตัวที่มีความเบตาเป็นพื้นฐานนี่มันมีรสชาติขึ้น มันมีความแบบมีความสำคัญมากขึ้นโอกาสที่จะปลอดภัยก็มากขึ้นเราเบียตาเขาเขาเบียตาเราต่างคนต่างมีความเบียตาให้กันระมัดระวังเพื่อไม่ให้กันเละกันนั้นต้องเกิดความทุกข์จากการติดเชื่อต่างๆเม้สังคมมันก็มีความโศบ พ, พึ่นได้ง่ายทีนี้ว่ากันโดยเรื่องของเรา เรื่องของการปฏิบัติธรรมนในศาสนาของเราสมัยเมืองเวสาลีเกิดเข้าอยากมากแพงเกิดโรคระบาดนะคนในเมืองเวสาลีนี่ห น, นีกันพังฝาเรือนแล้วก็วิ่งไม่หันหลังกลัวเชื่อมันจะตามทันไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวมีอมนุษย์ด้วย มีผีหาลาตานก็ว่าไปเรื่อยนะแต่ที่เห็นอย่างหน้า อ, อย่างหน้าอัศจรรย์ในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เนี่ยในขณะที่ผู้คนนั้นวิ่งออกจากเมืองเวสาลีพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ในตอนนั้นวิ่งเข้าเมืองสาลี นะผู้คนวิ่งออกจากเมืองเวสาลีเพราะเมืองเป็นเมืองที่ติดโรคระบาดพระพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่พิสุสง์เดินเข้าไปในเมืองสาลีเบสาลีอันนี้มันเป็นเครื่องอย่างหนึ่งว่าในการเกิดโรคระบาดก็ดีหรือไอไวรัสเหล่านี้ก็ดีไฟพิบัติต่างๆก็ดีมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าขันห้า คือร่างกายจิตใจนี้ของเราเนี่มันมีความไม่แน่นอนเป็นคุณสมบัติไอ้ที่วันดีตลอดไปไม่มีมันมีแต่ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็ที่มันเกิดโรคขึ้นมามันเป็นสัญญาณแจ้งให้เรารู้ว่า ธรรมชาติคือชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดันเมื่อเมื่อมันมีสัญญาณเตือนอย่างนี้อันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งที่พึ่งที่สําคัญที่แท้จริงที่กัดเสมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนั่นคือพระพุทธศาสนา ทำไมถึงพูดอย่างนี้อันเรื่องอื่นไม่ทราบนะแต่ว่าเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปของขันห้าความทุกข์ที่เป็นสัจจะอย่างนี้เนี่ยมันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นไม่ได้เราจะไปนั่งคุบเขา่าไหว้จอมปลวกบวงสรวงต่อเทพ ย, ายดา ประอบสิทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประคับประคองร่างกายของข้าพเจ้านี้อย่าให้แก่เลยขอให้ชีวิตสังขารร่างกายของข้าพเจ้านี้อย่าให้มันต้องเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆเลยอย่าให้สังขารร่างกายชีวิตของข้าพเจ้านี้อย่าให้ต้องเที่ยวไปพรัชพราดจากของที่ข้าพเจ้ารักทั้งหลายเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านไหนเอ่ยปากบอกขึ้นมาเนี่ย แสดงว่าโกหกคําโตแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่เราจําเป็นจะต้องหาที่พึ่งเพราะเมื่อใดที่มันเจ็บป่วยเมื่อใดที่มันแปรปรวนเมื่อใดที่มันต้องพลัดพรากเมื่อไรที่มันนั่นมันจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นความทุกข์เราจะทําอย่างไรให้มันไม่ทุกข์นั่นแหละเราจึงจําเป็นที่มีต้องมีที่พึ่งในทางศาสนาของเรานี่พระเจ้าตรัสว่า ที่พึ่งอะไรล่ะอัตถีปะอัตสระ า, าให้มีตนนั่นแหละเป็นเกาะให้มีตนนั่นแหละเป็นที่เกาะให้มีตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วท่านขยายความว่าอัตหิอัตโดนาโถตนเป็นที่พึ่งเงงตนคำว่าให้ตนเป็นเกาะไม่ให้มีตนเป็นที่พึ่งตนนั้นคืออะไรตนมันไม่ได้ใช่มือไม่ใช่แขนไม่ใช่ขานะคำว่าตนในที่นี้หมายถึงคือจิต จิตที่จะเป็นเกาะและเป็นที่พึ่งได้หมายถึงจิตที่มีการฝึกฝนดีแล้วจิตที่มีการฝึกฝนอบรมดีแล้วชีวิตของเราประกอบด้วยร่างกายและจิตใจเราเอากายเป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่ใช่ตนตนก็คือจิตจิตนั้นน่ยเราจะต้องฝึกฝนอบรมเขาให้เขาเป็นที่พึ่งเมื่อจิตเป็น สิ่งที่ถูกขัดเกลาแล้วเป็นที่พึ่งได้แล้วอันนี้เรียกอัตถิปะมีตนเป็นเกาะอัตตะสาณามีตนเป็นที่พึ่งนี่การฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นต้องทําอย่างไรใน อ, อดีตเนี่ยก็กมีการฝึกฝนอบรมกันเยอะนะแต่ว่า เมื่อเกิดคำว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดล้วนเป็นไปเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเพื่อเป็นประโยชน์แห่งตนทุกๆคำสอนไม่ว่าในในเป็นไปในหมวดของศีลลักขันคือว่าเวหมวดแห่งศีล หรือสมาธิขันในหมวดของสมาธิหรือปัญญาขันในหมวดของปัญญาทั้งสามหมวดนี้ล้วนเป็นไปเพื่อความฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้ตนเป็นเกาะให้ตนเป็นที่พึ่งเองตนได้นั่นเองอันนี้เป็นพระพุทธศาสนาไปคุบขข่าวอ้อนวอนจุดทูปไหว้ผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไม่สามารถมีอำนาจมาทำให้ตนเป็นที่พึ่งได้ และเราก็จะไปแสวงหาคำสอนจากจากความเชื่ออื่นๆในที่สุดแล้วในโลกนี้คำเชื่ออื่นนอกจากความเชื่อทางพุทธศาสนากล้าพูดว่าท่านให้เชื่อและมุ่งหวังในสิ่งอันมีอยู่ภายนอก ไม่มุ่งเข้าไปสู่การฝึกฝนอบรมตนพอพูดอย่างนี้ก็จะมีเสียงแย้งขึ้นมาว่าทำไมเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาก็ไม่เห็นว่าจะมีบทบาทอะไรมากมายในสังคมบางทีก็พูดตามกระแสโซเชียลว่าอบางคนบวชมาเป็นสิบยี่สิบปี ได้ความรู้ในทางศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วกลับม า, ายังต้องศึกษาลาเพศการศึกมาแล้วก็ยังมีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้คือถ้าเราจับประเด็นแบบนี้และตีความว่านั้นคือพุทธศาสนาอนั้นเรามันมืดบอดนะเาพูดแต่ว่าเรามันมืดบอด ทำไมเรามืดบอดเพราะที่ว่ามืดบอดในที่นี้ไม่ได้คำหยาบนะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่ามืดบอดเพราะว่าเราไม่รู้จักพุทธศาสนาเราไปมองพุทธศาสนาก็เป็นอดีตพระเราไปมองพุทธศาสนาเป็นเป็นเป็นพระรูปหนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นอัน ถ้าอย่างนั้นมันไม่เจอหรอกนะคลาให้ตายก็ไม่เจอคำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความวิเศษอันเนื้อเหนือนอกเหนือจากความเพียรและความสามารถของมนุษย์ใดๆ ที่จะมาบันดลบันดาลอะไรให้กับเราได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเพียรทั้งนั้นขึ้นอยู่กความเพียรในความฝึกฝน้วยกันทั้งสิน้นอันนี้เป็นตัวพุทธตัวพุทธศาสนานั้นเราจะต้องบางอย่างจะต้องทําความเข้าใจให้ให้ดีวันนี้ก็เป็นอน า, านาปันนสติครั้งที่ เจสบสี่โอ้โหไม่ยาวนานเราก็หยุดจัดกันมานานในครั้งผมมีมาตรการผ่อนปลนลงมาเราก็เริ่มจัดกันเนี่ยก็ mm. นี่แหละด้วยหลักที่ว่ามันไม่ปฏิบัติไม่ได้มันจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราก็ต้องตายมันมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราก็ต้องแก่มันมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราก็ต้องเจ็บต้องป่วย เพราะฉะนั้นมันจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราต้องปฏิบัติถูกปะเออมันก็ต้องปฏิบัติแต่ก็ภายใต้ความไม่ประมาทดังว่านี่แหละ <c oughs> นี่ถอดหน้ากากก็ประมาทนะแต่ว่าคอมันแห้ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องของการภาวนาละทีนี้การที่อนาปานสติ มันแบ่งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเรียกว่าอานาปานสติสมาธิอีกฝั่งหนึ่งก็คืออานาปานสติสมาธินี่มันเป็นวิหารสมาธิะอีกอันหนึ่งคืออานาปานสติภาวนามันเป็นนิพพทิกะสมาธิมันเป็นไปเพื่อความขัดเกลาร่วนๆตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดวิหารสมาธิหรืออนาปานสมาติสมาธินี่ก็คือกู เ, เอาจิตที่มันฟุ้งซ่านเสพอยู่ข้างนอกกลับเข้ามา ให้มาอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแต่อย่าไปถามนะรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นอย่างไรคำตอบที่จะได้มาก็รู้ไปเรื่อยๆเถอะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิหาระเป็นเครื่องอยู่เป็นตัวสมาธิเฉยๆก็ดีกว่าฟุ้งซ่านดีกว่าดีกว่าไปนั่งหมกมุ่นปรุงอยู่กับอำนาจของกิเลสอยู่กับอำนาจของความรักความโลภความโกรธความลง อนาปนสติภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอานาปานสติพาาาติกเวพาวิตาปรุริกตามหาพลาโหติมหานิสังตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง์มากผลและอานิสง์อันมากมายของอานาปานสติคืออะไรว่า คืออะไรบ้างผลในอนิสงส์อันมากมายของอาณาปานาสติคืออะไรบ้างหนึ่งมีอะไรบ้างอาณาปานาสติพิกเวภาวิตาภาูริกาตาจัตตารสติปัทถานปาริปุเรนติอาณาปานาสติอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ เจตะตารสถิติปตานาพาวิตาบูริกตาสัต๊ะโพชังเคปริปุเรนติสติปทานสีอันบุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมทำำําบําเพ็ญโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์ได้สัต๊ะโพชังคาพาวิตาบุริกตาความรู้เรื่องปะทันเก่งเก่งเก่งตะโพชังคา พาวิตาพหูลิกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติพุเชชงเจดอันบุคคลทำให้มากแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมบาเพ็ญวิชาและวิมุตต์ให้บริบูรณ์ได้ท่านนี้ท้านนี้ถือว่าอานิสงครอบอนันตจักรวาลแล้วเพราะในนี้เท่ากับให้ความหมายว่าไง เอาว่าอนาประตินี่เท่ากับว่าให้เลยสติประธานสี่สัมมประธานสี่อิทธิบาทสี่อินซีห้าพระละห้าพุทชงเจ็ดมักมีองค์แปดครบหมดเกิดจากอานาปานาสติแล้วมันมันมากมายก่กองขนาดนี้อานิสงนะอานิสงครอบจักรวาลอย่างเนี้ยมันต้องทำอย่างไร นี่ต้องทําอย่างไรเราต้องดูตรงไหนเราจะไปเอาประดิษฐ์ประดอยบัญญัติอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ตามคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นมันได้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอานิสงส์อันมากมายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนพูดพระพุทธเจ้าพูดต้องตามไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นใช่ไหม พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรปฏิบัติแต่มั้นไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้าสอนก็ดูสิใครเขาอธิบายเทคนิคการปฏิบัติแล้วเราเข้าใจได้บ้างซึ่งคนคนนั้นจ้องเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ารับรองถูกป่ะ อ, อาศัยสองอย่างนี้ถ้านอกเหนือจากนี้เดินออกจากตรงนี้ไปอย่างไปตรงอื่นได้ไหมมันจะไม่ได้ อานิสงส์หรือผลจากการปฏิบัติอานเกิดขึ้นมากมายนั้นไม่ได้งั้นเราต้องไปดูพ่าผู้เจ้าสอนอย่างไรพู้เจ้าสอนยังไงอาณานาเทศีผเจ้าสอน อ, ร, อ, น ร, น อ, นอรัญญกะโตวารุกะมูลกโตวสุดยาคารกโตวนิสีดะนิสดติบัลลังกังอาพุจิตโอวา อุจึงกันยังวัีตายะสติงปริมุขังอุปัตตเปตาวะโสสัตวะสัตติสัตว์ปฏิสติ ว, ว, าตต ว, ตว่าเข้าไปอยู่โคนในป่าก็ตามโคนไม้ก็ตามเรือนร้างก็ตามนั่งคูบรนลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นอยู่เฉพาะหน้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่ขั้นเตรียมการ เราดูดิพระพุทธเจ้าสอนง่ายไหม ย, ยากเปล่ายากไหมกลับว่าจะต้องไปเตรียมถ้วยจานต้องไปเตรียมพานตั้งขันนั้นเท่านั้นขันนี้เท่านี้ต้องอย่างน้นต้องอย่างน้นพระพุทธเจ้าบอกไหมไม่มีใช่ไหมเออนี่ถ้าใครใจทําอย่างนั้นก็ได้ไม่แปลกแต่ที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ต้องมี และเราจะต้องไปถือประมาณและส่วนใหญ่เราไปถือประมาณในไหนเราไม่ได้ถือประมาณในพระพุทธเจ้าเราไปถือประมาณในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าและเราจะต้องไปทะเลาะเบาแวงกันเยอะแยะมากมายในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเช่นเขาบอกว่าให้วางค่าครูเก้าบาทเราบอกเรามีเจ็บาทเขาบอกเจบาทไม่ได้ออกไปอ่าผิดต่อพระพุทธเจ้าไหมผิดไหม ไม่ผิดแล้วมันผิดต่อเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ของพระพู้เปเจ้างั้นเราจะต้องถ้าจะเอาเรื่องนี้อ่ะอานิสงส์ครอบจักราวาลเยอะแยะมากมายเนี่ยสติประฐานสี่สำ ม, มับประธานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมัทมีองแปดซึ่งจะเกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจที่ชื่ออานาปานสติเยอะแยะมากมายนีย่มันจะต้องเอาอะไรล่ะต้องเอาว่า ดูว่าอานิสงมากมายขนาดนั้นน่ะใครสอนและท่านสอนอย่างไรและเราต้องปฏิบัติได้อย่างนั้นตามนั้นมันไม่ใช่ไปตึงตังโมเบว่าเอาเองทีนี้คนอื่นจะสอนอย่างไรอย่างไรก็ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้นี่อัตมาไม่ได้พูดว่าใครผิดนะไม่ได้พูดว่าใครผิดแต่พูดว่าพระพุทธเจ้าอ่ถูกอย่างนี้แต่ว่าเราจะไปปฏิบัติปฏิบัติตามก็ว่าว่าไปว่าไป ให้ดูพระพุทธเจ้าสอนยังไงโสโตวะอัสสัตติสโตปัตสัตติสโตวะปัตอัตสัตติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคืออะไรอะเอาจริงๆิงอะถ้าเราบอกว่าดูลมหายใจออกได้ไหมได้ไหม ดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าได้ไหมมันจะเป็นมีสติไหมมันจะได้ไหมมีสติหายใจออกหายใจออกมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ากับดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าเหมือนกันไหมคำว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าให้จำไว้เลยนะให้ทำความเข้าใจแล้วเขดูไปเลยว่า มันหมายความว่าไม่ใช่เราหายใจออกเราหายใจเข้าแต่มันมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านะไอมีสติในตัวนี้คำว่ามีสตินี่เนยโซสโตสโตแปลว่ามีสติโซสโตวะอัตสตสติสโตปัสตสติเนี่ยคำว่าสโตหรือมีสตินี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงมีสัพพัญญะด้วย มีทั้งสติและสัมปชัญญะคือมีระลึกรู้หายใจออกระลึกรู้หายใจเข้าระลึกรู้หายใจออกหายใจออกอย่างมีสติคืออย่างมีการระลึกรู้หายใจเข้าอย่างมีการระลึกรู้ขยายไปหายใจออกอย่างมีการระลึกรู้หายใจเข้าอย่างมีการระลึกรู้ นี่เรียกว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าถ้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าความเป็นตัวตนมันจะมีเยอะกว่านะอทีนี้เรามาดูแค่อย่างนี้เราดูครั้งแรกว่าโอ้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าโอ้ยไม่ยากนี่ง่ายสบย พ, อพอพอพอพูดอย่างนี้เอมันจะตรงของพระพุทธเจ้าไหมเนาะถูกไหม มันจะตรงกับของพระพุทธเจ้าไปนะและอนิสงส์ผลอันมากมายมหาศาลนู่นน่ะที่รออยู่กังเกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจมันจะได้ไหมเนาะนี่เราต้องศึกษายังไงต่อไปเพื่อความมั่นใจตรงนี้เราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้การมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าที่พระพุทธเจ้าให้เราทํำยังไงอืมพระเจ้าอ่ะทีครั้งว่าอัจฉสันโตที่ครั้งอัตฉริยมีติประชานาติที่ครั้งว่าปัจฉสันโตทีครั้งปัจฉรมีติพระชาณิ คือคืออเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นอย่าลืมมีคาว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าไม่ใช่รัวนะรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ามันเป็นกิจ มันเป็นกิจที่เราจะต้องใส่ใจและทําตามให้ถูกต้องรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่ า, าวรู้ว่าหายใจยาวรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นอ่ะทีนี้รู้ว่ายาวเนี่ยอะไรยาวฮะลมยา ว, ยาวอ่อรู้ว่าลม ร, รู้ว่ายาวนี่คือลมยาวใช่ไหม รู้ว่าสั้นอะไรส่น้นลมยาวเนี่ยมันมีความยาวเนี่ยมันมีอยู่กี่แบบฮะแล้วความสั้นล่ะความสั้นก็มีสองแบบความยาวก็มีสองแบบความยาวมีสองแบบก็คือยาวตามระยะลมระยะลม ระยะยามตามตามเต็มระยะระยะทางระยะลมเช่นจุด A ไปจุด B เนี่ยหาใจเข้าพอตั้งต้นปั๊บอเนี่ยวิ่งบูไปถึงบนี่คือยาวตามระยะทางทีนี้ยาวอีกอย่างหนึง่งยาวตามเ อ, อระยะตามตามเวลา เรารวมเรียกว่านานใช่ไหมความนานมันทีนี้ในการมีสติก็รู้ลมหายใจออกยาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าตรงนี้มันควรจะรู้ว่ายาวตรงไหนอ่ะ <c oughs> มันเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมมันเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมเออจากแต่ว่า หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้เนี่ยมันจะต้องเอาเพื่อให้มันถูกต้องอะ่ะเราต้องไปดูของใครเราไปดูใครดูพระพุทธเจ้าแล้วดูพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเราต้องไปดูใครอีกผู้ที่เขาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างคร่ําวอดเลยและในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองถูกไหมในสมัยพระพุทธเจ้าด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองผู้นั้น ในรุ่นนั้นก็ดูที่พระพุทธเจ้ายกให้เป็นพระธรรมมาเสนาบดีเป็นแม่ทัพใหญ่ควายธรรมคือภาษาลิบุตรเพราะภาษาบุตรนี่ท่านจะอธิบายเทคนิคที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเทคนิครายละเอียดพรอภาษารีบุตรพูดอธิบายเสร็จคนปฏิบัติตามโอ้ยเยอะมากมายแล้วไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาห้ามนะ พราะพระพุทธเจ้ารับรองโดยนัยยะพอยกภาสาเรีตรขึ้นเป็นอัครสาวกฝ่ายฝาอืมนี่เราก็เพื่อเพื่อที่เราจะต้องไม่ไปคิดเองไงเพื่อที่จะยมไม่ได้ไปคิดเองเพราะเราไปคิดเองนี่แหละเราไม่ใช่หลักการที่อัตมากําลังพูดถึงมันจึงเกิดเป็นสํานักเยอะมากในประเทศไทยในโลกใบนี้สํานักนั้นทําอย่างนั้นสํานักนี้ทําอย่างนี้สํานักนั้นทําอย่างนั้นแล้วก็เป็น แต่รัฐธรรมนักก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองนี่เราก็ดูปะสาริบุตรท่านให้ทำยังไงเมื่อกี้บอกทีคังว่าอัตสาสั่นโตรีคังอัตส า, ามีติระชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวดูๆแล้วมันไม่ยากแต่พอทำก็จริงจริงเอมันจะเอาอยัางไงให้มันให้มั น, ใ ห, มนให้มันถูกต้องจริงๆนะเพราะว่า ถ้าเรานั่งหนึ่งชั่วโมงที่รู้ลมหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวมันก็หมดไปหกสิบนาทีแล้วนั่งสองชั่วโมงมันก็หมดไปร้อยยสิบนาทีแล้วนั่งไปวันหนึ่งก็หมดไปยี่บสี่ชั่วโมงแล้วถ้ามันผิดเนี่ยโอ้โหมันเสียหายเยอะไอ้ทํายังไงถึงให้ถูกเนี่ยคนมันตึงยอมไปอยู่ในสํานักต่างๆ ต, ต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรมาจริงๆไม่ใช่เขากลัวผิดอะนั่นเราก็มาดู ว่าผู้ที่เขาปฏิบัติตามได้ผลพระพุทธเจ้ารับรองเนี่ยพระสารีบุตรเขาสอนว่าไงเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเนี่ยรู้อย่างเงี้ยพระสารีบุตรเขาอ้นยังไงเขาใช้ถักว่าอัธนะสังคาเตยาวเนี่ยอัธนสังขาเตกขาเรียกว่ายาวยาวตามระยะเวลาเนี่ยเออไ ม, ไม่มีอุปกรณ์ไว้ เนี่ยดูผ้ายาวนะเราจะรู้ผ้ายาวดูหน่อยนะคนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจยาวนี่จากจุดเอไปบนี่ยาวยาวตามอะไรระยะทานใช่ไหมว่ามันกี่เม็ดถูกไหมนี่หนึ่งยาวยาวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยดูนะ รู้อยู่ตรงนี้รู้ในการที่สิ่งนี้ผ่านจากจุดนี้มีหน่วยเป็นความนานเข้าใจบ่าวอ่ะกี้ที่รู้ทมีหน่วยเป็นเมตรเ ป, เป็นเป็นเซนเป็นมิลสามารถวัดใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ มีหน่วยเป็นเป็นความนานความสั้นนั้นพระสัททิบุตรท่านคิดว่าอัตฐานสังกะตเตอันประมวลนับวันนานคำว่ายาวเนี่ยอันนับว่านานถึงขึ้นการนับมาเข้าใจว่าเข้าใจไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในทางการปฏิบัติอืม คนที่รู้ลมหายใจไปไม่ถึงไหนในที่สุดใช้หลักของการทําเอาคือทําเอาก็าหมายความว่าเหมือนทำอานาปานสติธรรมทิฏฐิทาลมยาวทําลมสั้นทําลมหยุดทําลมระหบับทําปิติทําสุขทําจิตสังขารทําจิตสังขารนะครับทําจิต คือทำทำทำทำทำไปโรดเลยในที่สุดอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดคือเรื่องยกเบกเป็นเรื่องเฟกถูกปะเออถ้าเราต้องทำลมยาวทำลมท่านทำลมราหบทำลมหยุดทำลม ทำลมน้นทำลมนี่ทำลมในที่สุดต้องทำปิติทำสุขในที่สุดทำจิตสังขารทำจิตสังขารให้ได้คับในที่สุดทำจิตโอ้โหมันจะมันจะยิ่งใหญ่อะไรก็มันจะทำทำทำทำจนถึงวิชาวิมุติก็ทำวิชาทำวิมุติถ้ามันทำอย่างนี้ได้แสดงว่าวิชาและวิมุตตินี่สามารถผลิตเป็นแคปซูลได้สมิเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นใส่สริงฉีดก็ไปได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องไปปฏิบัติแล้ว ถูกไหมเข้าใจมั้ยเออ น, นี่พอรู้ลมยาวเออพอเรารู้ลมยาวตามตามตามเวลาที่ว่าเนี้ยนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยรู้นหนึ่งเน้ควารู้ท่านตรัสว่าท่านสอนว่านิมิตังอัศสาสะปัสสาสะอนารัมมานะเบกจิตตัสสะอัชานโตตโยธรรมเบ ภาวนานุปารปตินิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่เป็นอารมณ์อันเดียวกันคือไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวผู้ที่ไม่รู้สามเรื่องนี้ภาวนานูปารปติไม่ได้ภาวนาเรียกว่านั่งในก้นแต่ก้นเน่าก็ไม่ได้ภาวนา ท่นเราจะต้องรู้นิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าอาจจะรู้เรื่องอื่นหมืนน่นแสนเรื่องก็ช่างเหอะถ้าไม่รู้สามเรื่องนี้อย่าพูดเรื่องของภาวนาอต้องรู้สามเรื่องนี้ได้รู้สามเรื่องนี้รู้อย่างไ ร, รู้ตามความเป็นธรรมชาติของของแต่ละอย่างนิมิตต้องรู้เรื่องนิมิตใช่ไหมลมหายใจออกลมหายใจเข้า เดี๋ยวนี้เรามาพูดว่านิมิตแต่จริงๆเรื่องนิมิตสอนมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละนิมิตก็คือที่ตั้งของจิตรู้แลอนิมิตเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงไหนนาสิกาเความุขะมิตเตวาอยู่ตรงตปลายจมูกหรือตรงริมผิปากบนขึ้นอยู่กับของใครเป็นอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะไอ้ตัวนิมิตอ่ะ ก็เอาตัวที่พอเราหายใจออกหายใจเข้าสุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกลมหายใจออกให้ลมหายใจออกมาดูสิลมหายใจออกที่มันครูดเข้าใจคำว่าครูดไหมคำว่าครูดเข้าใจนะเออถ้าคนนี้เข้าใจจะไม่ถามคนอื่นนะต่อไปเอาเอาเราเป็นมาตรฐานเลยนะถามคำไหนที่เราเข้าใจจะไม่ถามคนอื่นแล้วคำว่าครูดเข้าใจใช่ไหม โอ้เยี่ยมมากเลยคำว่าครูดเนี่หมายความว่าลมที่มันครูดออกทางจมูกตรงไหนเนื้อรู้ข้าวอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ไปจ้องเพ่งอยู่ตรงนั้นนะแค่ข้าวรู้อาศัยรู้อยู่ตรงที่ลมมันครูดออกไปตรงนั้นนะ่ะครูดออกแล้วก็ครูดข้าวถ้าลมมันยาวนั่นหมายความว่าการครูดตรงนั้นมันตอบดิ ถ้าลมมันยาวแสดงว่าการคลุดตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงนานถ้าลมมันสั้นแสดงว่าการคลุดตรงนั้นมันเป็นยังไงนนมมสั้นท่านจึงใช้สั์ลมสั้นว่าอิตรอิตรอิตรตรัรฐานะคือลมมันสั้นสั้นคือหมายว่าไอ้ตรงมันคลูดเนี่ยมันสั้นแป๊บเดียวเรียกว่านิดหน่อย เข้าใจไหมพอเรารู้อย่างนี้แสดงว่าอะไรเราไม่ต้องไปทําเข้าใจไหมเราไม่ต้องไปทําให้ลมมันยาวเราเพียงแค่คว้าวรู้คว้าวรู้ตรงนี้ถึงการครูดกดมันเพราะฉะนั้นแรกๆเลยลมของเรามันเป็นยังไงลมม า, าลมมาลใจของเรามันจะยาว เหตุในการที่จะต้องเฝ้าทำให้เป็นกิจอย่างแน่วแน่ถูกต้องอันแรกนี้ก็คือว่ารู้ลมที่ออกรู้ลมที่เข้าอยู่ตรงนี้ให้ต่อเนื่องตามความนานของมันที่มันครูดออกครูดเข้านี่แหล ะ, อะพอพอลมออกก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ตามเนี้ ถ้าเรารู้ตามเวลาตามอาการที่ลมมันครูดออกตามที่อาการที่ลมมันครูดเข้าเนี่ยตัวรู้นี้มันจะไม่ไปปักอยู่ในเนื้อลมมันจะไม่ไปปักอยู่ในนิมิตเข้าใจไหมมันจะไม่ไปปักมันจะออกมาจากนิมิตมันมันจะออกมาจากลมหายใจมันเพียงแค่อาศัยนิมิตรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเท่านั้น นิมิตก็เลยไม่ใช่เราลมหายใจออกก็ไม่ใช่เราลมหายใจเข้าก็เลยไม่ใช่เราเห็นไหมมันจะเข้าไปในจุดที่ลงตัวพอดีเลยออกมาจากทุกทั้งสามส่วนนี้ออกมาจากทั้งสามธรรมชาตินี้และอาศัยธรรมชาติหนึ่งเพื่อรู้ธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเองอ เ, อออเข้าใจไหมเกศอ่าเกเข้าใจบนก้นนูนยังไม่เข้าใจกลับไปบ้านถึงเข้าใจใช่ไหม มีใครมีความสงสัยมั่งเดี๋ยววันนี้จะนั่งจาวเลยนะพระไม่เฉนเพลนวันนี้ทีนี้เอาตรงนี้เป็นกิจเข้าใจครับว่าเป็นกิจไหมเข้าใจเออแล้วก็ทํากิจอันเนี้ยให้ถูกต้องไม่ต้องไปประวิงไม่ต้องไปล็อกอะไรในอนาคตไม่ต้องไปในอดีตเออวันก่อนได้พูดด้วยความเหมือน ไมเคิลเองนเจโลใช่ไหมฮะไมเคิลเองนเจโลก็มองเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งภาพของอะไรก็ปรากฏเดวิดภาพของเดวิดก็ปรากฏไมเคิลก็มีหน้าที่ทำยังไงเขาก็ทำหน้าที่จิบสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปการรู้ลมหายใจนี่เป็นอย่างนั้น เมื่อเรารู้เรื่องของนิมิตรู้เรื่องลมออกรู้เรื่องลมเข้าแล้วต่อไปเราก็ทํากิจตรงเนี้ยทํากิจตรงนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าในระหว่างที่เรารู้ลมออกลมเข้าลมออกลมเข้ารู้ลมออกลมเข้าเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ใช่กิจเกิดขึ้นเราทําไงสิ่งที่ไม่ใช่กิจเกิดขึ้นเราทํำยังไงหยิบออกหยิบออกหยิบออกหยิบออกหยิบออกถูกไหมล่ะสิ่งที่ไม่ใช่การรู้ลมออกยาวการที่ไม่ใช่รู้ลมยาวเนี่ย หยิบออกหยิบออกอะไรที่มันเกิดขึ้นมั่งซึ่งต้องหยิบออกข้อนี้ท่านก็สอนไว้อธิบายไว้แล้วก็จริ ง, รงๆเราก็ควรที่จะต้องรู้ไว้รู้ไว้เพื่อให้การทำกิจของเรานั้นถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแนว่วแนว่ซึ่งจะค่อยๆพูดทีหลังแต่ว่าไอ้คนที่ว่า เ, เคยไปเคาวัดบุพพารามวันแรก วันนั้นพูดไว้เยอะแล้วแต่ว่าในคอตักปกติประจําเดือนอย่างนี้อัตามาก็จะนํามาพูดให้ฟังเรื่อยๆแต่จะเน้นเรื่องของการภาวนาะอัตามาจะพูดไปเท่าไหร่คนที่มาใหม่ฟังไว้จะพูดไปเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ช่างยมฟังแล้วจําได้แล้วอจําได้เข้าใจแล้วเท่าไหร่ก็ช่างถ้าเราไม่ปฏิบัติเพื่อให้มีสภาวะไปรองรับในความรู้และความจํานั้น เราจะไม่มีวันเข้าใจเข้าใจไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติให้มันมีสภาวะไปรองรับความรู้และความจําเราจะไม่มีวันเข้าใจไอเหมือนเด็กน้อยที่มันเห็นแต่เกียงแล้วมันชอบมันอยากจะเล่นเราก็สอนมันนะไอมันได้นะรูปเดี๋วมันอย่างงู้นอย่างนี้สอนมันมันรู้หมดอ่ะมันเข้าใจหมดว่าคอยมันร้อนแต่เกียงเผาแล้วมันไหม เดี๋ยวป้ามาต้องเสียเงินพามันไปหาหมอต้องเสียเวลามันเองก็จะต้องเจ็บดรงเรียนเข้าไปไม่มันลู้หมดแต่พอเพลือเรามนเล่นแต่ครั้งพอมันไปเล่นตะเกียงนั้นไหมมือเผามือมันมันเกิดความร้อนขึ้นมาไอความร้อนที่รสอนมันมาเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนครึ่งเดือนน่ะนะมันชู้ความร้อนที่ไหมมือมันมือตะกีนนี่ไม่ได้ เพราะไอ้ความร้อนที่ไม่มือมันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้จริงถลังเราเอาตะเกียงโส ง, ง่ายมันมันวิ่งหนีเลยมันหนีเลยมันไม่เอาเลยก็เหมือนกันเราเรียนเรารู้เราเข้าใจเราทําความเข้าใจเราจําได้แต่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มันมีสภาวะไปรองรับความรู้นั้นหรือเราปฏิบัติแล้วมันเกิดสภาวะต่างๆเราเรียนรู้ไว้พอเรามากฟังมาทําความเข้าใจเกิดเป็นความ ร, รู้มันความรู้ที่เราเกิด ได้เราเข้าใจได้นี่มันก็จะไปรองรับกับสภาวะที่เราปรากฏที่ปรากฏนั้นได้เหมือนกันเพราะนั้นตัวสําคัญที่สุดไม่ต้องฟังมากไม่ต้องเรียนมากแค่ฟังพอรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติเลยแล้วไอ้สภาวะที่มันเกิดมันเหมือนกับเรานั่งรถไฟอะ่ะซื้อตั๋วที่หัวลำโพงเลยนั่งรถไฟไประหว่างทางนี่โอ้มันผ่านยุง่งเร้าเยอะแยะมากมายนั่นนี่นั่นนี่นี่น เราไปไปหลงอันใดอันหนึ่งไม่ได้แม้นว่าไปถึงตรงนี้แล้วจะมีสนามดอกไมมีสวนดอกไม้จะมีเออสาจิงชาเสาหันจะมีรถควายใต้ดินจะมีอะไรก็แท้แท้แลวมันไม่ใช่ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปไปถึงตรงโ น, น้นโอ้ยมีสวนดอกไม้ต่างประเทศดอกทิวลิปดอก น, อน้นดอกนี้ แต่มันไม่ใช่ปล่อยไปปล่อยไปยังคงแน่วแน่นั่งอยู่บนรถไปขบวนนั้นต่อไปเรื่อยๆพอไปถึงตรงนี้โอ้เจอป้ายสภาวะนี่เขียนว่าแก่งคอยนี่ใช่แนนตรงนี้ไว้เอแก่งคอยนี่ใช่ใช่ไหมก็เหมือนกันเหมือนกับรูลมหายใจรูลมยาวรูลมไปดาวไปเรื่อย ๆ, ๆมันจะมีสภาวะในขณะที่เรารูลมอยู่นี่มันเยอะมาก ที่จะมาปรากฏที่จะเกิดขึ้นบางอันก็เป็นอุปการะบางอันก็เป็นอันตรายบางอันก็เป็นอุปกิเลสบางอันก็เป็นกุศลบางอันก็เป็นอกุศลบางอันก็เป็นทางที่นาไปสู่มักเบื้องบนบางอันก็เป็นทางที่จะทำให้ไปสู่วัตถุอันเป็นที่ยิ่งของอาณาปานสติซึ่งตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็หลายอย่างทีเราก็ แนวแน่กับกิจที่เราทำนั้นนั่นแหละแน่วแน่ไปเรื่อยเืยืยยืพอพอมันเจอจนชำนาญหมายความว่านั่งลมยาวเวลาชำนาญนี่ดูลมยาวเวลาชำนาญหมายวว่านั่งปั๊บจบนั่งปั๊บจบอันนี้เมื่อเรารู้ลมได้อย่างถูกต้องดูลมยาวได้อย่างถูกต้องดังนี้แล้วนะ ดูลมยาวได้อย่างถูกต้องดังนี้แล้วคนที่เดี๋ยวเราก็จะให้พิสูจน์กันดูลมยาวตามความนานตามเวลาโยมศีรษะเข้าใจไหมฮะเอาเข้าใจจริงๆนะเออเอาเข้าใจจริงๆเพราะนั้นจะเสียเวลามากสองคู่สามคู่สั้นตโตปนีโตอเซจันโกสุขวิหาโรโมันเกิดเป็นลำดับอย่างอัศจรรย์ สั้นโตคือสบระงับปณีโตคือปราณีตอเซจนโกคือสดชื่นเยือกเย็นสุ ข, ขวิหารโรคือมันจะอยู่เป็นสุขในขณะในขณะในขณะท่านพี่ <c oughs> แต่ต้องอยู่ในความยาวของลมตามเวลานั้นนะเข้าใจไหมถ้าเราไปปักอยู่กับลมหายใจเรา ไปอยู่ในลมนั่นลมเป็นเราเราเป็นลมตัวเดียวกันเป็นแต่ในความเป็นจริงก็เป็นอันเดียวกันไหมไม่เป็นอันเดียวกันอนารมณ์นาเบกจิตตัสสะทั้งสามอย่างนี้ไม่เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียวมันเป็นคนละธรรมชาติคนละเรื่องคนละเรื่องกันเป็นสามเรื่องแยกออกมาแต่ถ้าเราเฝ้าอย่างเนี้ยเฝ้ารู้อยู่ตรงนี้ ลมเข้าก็รู้ตรงนี้ลมออกก็รู้ตรงนี้ลมเข้าก็รู้ตรงนี้ลมออกก็รู้ตรงนี้ลมเข้าก็รู้ไม่วิ่งตามไม่วิ่งตามเข้าไปไม่วิ่งตามออกมาในขณะที่ลมมันเข้าก็ไม่กวัดแกงไปหาลมออกในขณะที่ลมมันออกก็ไม่กวัดแกว่งไปหาลมเข้าเมื่อเมื่อมีลมหายใจเข้าเมื่อมีลมหายใจเข้า จิตนี้จะไม่กวัดแกงไปกับลมหายใจที่เข้าตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของลมหายใจเมื่อลมหายใจออกจิตจะไม่กวัดแกงจะไม่กวัดแกงไปกับลมหายใจออกอันเป็นความฟุ้งซ่านภายนอกเมื่อลมหายใจเข้าจิตก็จะไม่กวัดแกงไปกับลมหายใจเข้าอันเป็นความฟามุ้งซ่านภายในพอลมหายใจเข้าปั๊บมันจะวิ่งไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่คุณลมหายใจออกมันจะวิ่งไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ไม่กวัดแกงอย่างานั้นข้าวแนวอยู่ตรงนี้ะ เมื่อลมหายใจกาลังเข้าอยู่ไม่กวัดแหว่งไปหาลมหายใจออกเมื่อลมหายใจกาลังไหลออกอยู่ไม่กวัดแหว่งไปหาลมหายใจเข้าในขณะที่ลมหายใจกาลังเข้าอยู่ทำงานอยู่จิตจะไม่ไปครุ่นหรือไปมุ่งหาลมหายใจออกในขณะที่ลมหายใจออกกาลังทางานอยู่จิตจะไม่มุ่งไปหาลมหายใจเข้าเห็นมอันนี้คืออาการหยิบก้อนหินที่ไม่ใช่เดบิตออกไป เข้าใจไห้เข็เข้าใจปะเออถ้าไอ้คนนี้เข้าใจถือว่าเข้าใจหมดอ่ะอ่าทีนี้เราดูไปอีกเนี่ยแค่รู้ลมนี่ยังอยู่แบบแค่รู้ลมทําให้มันถูกต้องนะแค่รู้ลมน ะ, ะในขณะที่เราระลึกไปอยู่ที่นิมิตอาศัยนิมิตเนี่ยเราระลึกไปที่ลมเนี่ยเราอยู่ที่นิมิตเนี่ยจิตคำนึงอยู่ที่นิมิดเพื่อที่จะรู้ลม พอมันคำหนึงถึงนิมิตปรับจิตกวาดแปลงไปหาลมหายใจออกขณะที่คำหนึงถึงลมหายใจออกมันกวาดแปลงไปหานิมิดขณะที่อยู่ที่นิมิตกวาดแปลงไปหาลมหายใจเข้าขณะอยู่ที่ลมหายใจเข้ามันกวาดแปลงไปหานิมิดขณะที่อยู่ลมกับลมหายใจเข้ากวาดแปลงไปหาลมหายใจออกขณะที่อยู่กับลมหายใจออกกวาดแปลงไปหาลมหายใจเข้าอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องหยิบออกเห็นไหม ก็อธิบายไว้เพ ouais. ื่อให้มันการรู้ลมหายใจที่นิมิตเนี่ยให้อาศัยนิมิตเป็นที่รู้ลมหายใจเพียงแค่ว่าลมยาวมันยาวอย่างนั้นตามเวลาของมันตามความนานของมันตามความสั้นความนิดหน่อยของมันจิตมันจะออกมาจากนิมิตจะออกมาจากลมหายใจมันจะแค่รู้ลมนั้นตามความเป็นจริงว่ามันยาวอย่างนั้นมันสั้นอย่างนั้นมันยาวอย่างนั้นมันสั้นอย่างนั้น มันอยู่ตรงนี้ไม่ไปปักอยู่ที่ลมไม่ไปปักอยู่ที่นิมิตเข้าใจไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นความสงบเกิดไหมเกิดทันทีเลยความสงบเกิดขึ้นได้อย่างไรความสงบมันเกิดขึ้นจากอาการที่พอจิตพวรู้อยู่อย่างนั้นมันจะน้อมเข้าไปน้อมกันไปคือมีอารมณ์เป็นอันเดียวนั่นคือความสงบโดยมีอุเบกขาเป็นฐานอุเบกขาเนี่ยจะเป็นฐานของตัวรู้ ตัวรู้จะวางอยู่บนตัวอุเบกขาตัวรู้ไม่ไปหมกมุ่นไปปักไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่นิมิตตัวรู้จะไม่ไปหมกมุ่นไปปักไปจ้องไปเพ่งอยู่ที่ลมออกตัวรู้จะไม่หมกมุ่นไปจ้องไปเพ่งไปเล็งอยู่ที่ลมเข้าตัวรู้จะวางอยู่บนอุเบกขาและจะลงตัวพอดีโดยอาศัยนิมิตรู้ลมออกรู้ลมเข้าตามความเป็นจริง สองคู่สามคู่ปุ๊บสะบมาเลยไอส้สะบนี่เราเข้าใจคำว่าสะบใช่ไหมคำว่าสะบเพราะว่ะไอส้ส ต, ติมันปรากฏอุเบกขาปรากฏอุเบกขาไม่ใช่ส ต, ติส ต, ติก็ไม่ใช่อุเบกขาแต่ส ต, ติตัวนี้วางอยู่บนอุเบกขา นั้นภาคเช้านี้เฝ้าแน่วแน่อยู่กับลมยาวนะแต่ใครที่เดินเข้าสู่ลมสั้นแล้วก็ก็ปล่อยไปตามตามที่เคยทำนะแต่กิจเช้านี้รู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวโดยอาศัยนิมิพตพาเป็นดวรู้ตัวนิมิตนี่เป็นเสมือนกับป้อมยามที่วานี่แหละที่อธิบายให้ฟังเนี่ยเข้าใจใช่ไหมสามคนนี้เวลานั่ง การนั่งเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นคนเข่าขาเสียจะเสียเปรียบหน่อยนั่งมันจะดีที่สุดคือนั่งอย่างเงี้ยนั่งตั้งกายให้ตรงกระดูกสันหลังตั้งตรงมันเป็นบาลังอ่ะเวลาพระพุทธเจ้าสอนท่านสอนบลังเห็นมบลังกังอาพุชิตตวานิสีาติบาลังกังอาพุชิตตวานั่งคู่บาลังตั้งกายให้ตรง เพันเดี๋ยวจะให้พวกเรานั่งนั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้านอนไม่ไหวนะมันเมื่อยมันเจ็บนะมันเมื่อยมันเจ็บเนี่ยโอ้ยมันเมื่อยแล้วยายอมแพ้ความเมื่อยแต่ไม่ใช่ดื้อดึงอย่าว่ามันเมื่อยมันปวดตรงนี้นะมันปวดจนทนไม่ไหวแล้วเพื่อให้เห็นแกการปฏิบัติเป็นหลักเราก็ขยับแต่ขยับโดยจิตรู้ยังอยู่นะขยับช้าชอย่างมีสติ อเี่ยมันไม่ใช่ขยับแบบคนมีโทสะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเมื่อยมันเจ็บมันปวดเนี่ยโทสะจะมาอืมเพราะจิตมันเกิดแล้วตกอยู่ข้างฝ่ายพยาบาทแล้วโทสะมันมาพอโทสะมันมาเรียบร้อยเลยการภาวนาก็ไปแล้วเวลานั่งจะทรมานมากเพราะมันจะรอว่าเขาเลือกตนไหนมันไม่ได้ภาวนาแล้วมันนั่งรอว่า เมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะเลิกดีไม่ดีแช่งพระก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลามันมุย้ยไม่ไหวแล้วก็เวลาปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เปลี่ยนอย่างมีสติสมมติเราเรานั่งจิตรู้เรหยายาจอยู่นะรู้ว่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะจิตไปจับเลยชา้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอย่างมีสติทําอย่างมีสติ